สักครู่เราได้สาธยายวดสารเสริญพุทธคุณร้อยประการถ้าเราพิจารณาตามไปก็อาจจะสังเกตได้ว่าพุทธคุณที่ได้สาธยายไปนั้ น, นแตกต่างจากพุทธคุณที่เราจะเคยได้ยินอย่างเช่นในวงการพระเครื่องก็มกักจะมีการพูดว่า พระพิมพ์รุ่นนี้นะมีมีพุทธคุอย่างนั้นอย่างนี้พระสมเด็จว ร, รงังคังพระขุนแผนมีพุทธคุณทําให้อยู่โยงโคงกระพันช่วยให้ใคล้วคลาดจากอันตรายทําให้มีโชคมีลาบไหลามาเทมาทําให้มีแม่ตามมานิยมอะไรเงี้ยนะพุทธคุที่ว่านี่มันเรียกว่าคนละเรื่องนะ กับพุทธคุณที่เราได้สาธยายทั้งร้อยประการนั้นเนี่ยู้แล้วแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณงามความดีนะเป็นเรื่องที่ช่วยทำให้พ้นทุกข์นะในทางจิตใจทำให้กิเลสไม่อาจจะครอบงำทำให้จิตใจไม่วันไหวต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามากระทบนะเป็นต้น อ่าพุทธคุณที่พูดถึงกันในวงการพระเครื่องหรือที่อาจจะได้ยินในที่อื่นอันนั้นมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสาเร็จทางโลกทำให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราทำให้ไม่มีเหตุร้ายนะเกิดขึ้นกับเราพวกนี้มันรู้แล้วแต่เป็นเรื่องนอกตัวทั้งสิ้นนะ เรื่องนอกตัวเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นหลับประกันแห่งความสุขหรือว่าทําให้พ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงสิ่งที่ทําให้เป็นสุขคล้าวๆจากความทุกข์มันอยู่ที่ปัจจัยภายในมันอยู่ที่สภาวธรรมภายในพระพุทธคุณส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของ คุณภาพจิตหรือสภาวะธรรมภายในซึ่งถ้าจะสรุปย่ อ, ยอๆเนี่ยจากร้อยหนึ่งก็จะสามารถจะย่อได้เหลือแค่สองก็คือปัญญาและกรุณาพุทธคุณที่เป็นหัวใจแห่งความเป็น แห่งองค์คุณของพระเจ้านี่ย่อดได้เหลือแค่สองนะคือปัญญาและกรุณาปัญญานี้นะหมายถึงนะความรู้ที่ทำให้พ้นทุกข์นะหลักๆ ก, ก็คือความรู้ในอริสัตย์สี่นั่นเองรูว่าทุกข์คืออะไรเกิดจากอะไร และรู้ว่าสภาวะที่ไม่มีทุก์นั้นเป็นไปได้และมีเหตุปัจจัยจากอะไรและจะทำให้ปัจจัยนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนะนี่เป็นสาระหรือความหมายของอริยสัจส์4ปัญญานี่เป็นองค์คุณที่ทำให้พ้นทุกทาให้ไม่มีความเห็นแก่ตัวเหลืออยู่เลย เพราะว่าไม่มีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนอีกต่อไปเพราะเห็นแจ้งว่ามันไม่มีอะไรที่จะยึดเป็นตัวเป็นตนได้ให้ความสำคัญมั่นหมายว่าตัวฉันหรือตัวกูของกูอันนี้มันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาธรรมะนั้นเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ว่างเปล่าจากตัวตน อาจจะเข้าถึงหรือเห็นความจริงตรงนี้ได้ต้องมีปัญญาเมื่อมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในความจริงเหล่านี้นะก็ทำให้พ้นทุกข์ได้กิเลสตัณหาไม่มีที่ตั้งมันมีแต่ความทุกข์นะแต่ไม่มีผู้ทุกข์แล้วความทุกข์ที่ว่านี้ก็หมายถึงความทุกข์ที่ ปรากฏอยู่กับสิ่งทั้งปวงอันนี้มันไม่ใช่ทุกเวทนานะแต่มันหมายถึงว่าสภาวะที่ต้องเสื่อมสลายดับไปสิ่งที่ไม่มีชีวิตก้อนหินต้นไม้ทั้งรูปธรรมและนามธรรมก็รู้แล้วแต่เป็นตัวทุกขนะ์ก็คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แต่ว่าผู้ทุกข์ไม่มีนะ ผู้ที่มีปัญญาเห็นแจ้งอย่างพระพุทธเจ้านี้นะ่ก็เรียกว่าหมดซึ่งสภาวะที่เป็นผู้ทุกข์มันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์อย่างเช่นร่างกายนี้ก็ยังต้องเสื่อมต้องมีเจ็บมีป่วยอย่างวาระสุดท้ายของพระพุทธเจ้านะก็พระองค์ก็ถูกบีบคั้นด้วยอาพาธ แต่ว่าความบีบคั้นนั่นก็เกิดขึ้นกับกายใจนี้ไม่ได้รู้สึกถูกบีบคั้นด้วยเพราะว่าปัญญาที่ทำให้พระองค์เห็นว่ามันไม่มีผู้ทุกข์มันมีแต่รูปที่ทุกข์นะส่วนใจไม่ได้ทุกข์ด้วยตอนนี้เมื่อความทุกข์หมดไปไม่มีความเห็นกระตัวลงเหลืออยู่จิตใจก็ เกิดเมตตากรุณาอย่างไม่มีประมาณเป็นกรุณาที่พร้อมที่จะช่วยเหลือสรรพสัตว์โดยที่ไม่มีความเห็นแก่ตัวหรือปรารถนาสิ่งใดเข้าตัวเองเลยทำเพื่อส่วนรวมทำเพื่อผู้อื่นล้นๆ้วนอันนี้เรียกว่าเป็นองค์คุณที่สำคัญมากคือกรุณาคุณปัญญาคุณนั้นเนี่ยนะ จะว่าไปแล้วก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ตนนะทำให้พ้นทุกข์ส่วนกรุณาคุณนั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ท่านนะเป็นไปเพื่อผู้อื่นอาการที่พระพุทธองค์ทรงบรรําเพ็ญประโยชน์ท่านนี่ก็ทําได้หลายประการทั้งแสดงธรรมถับปลุกให้ผู้คนตื่นจากความหลับ อันนี้ก็ น, นี่ก็ถือเป็นอ่าพุทธกิจที่สำคัญนะรวมทั้งทำให้เป็นแบบอย่างด้วยทำเป็นแบบอย่างนี้นะบางอย่างก็เป็นไปเองนะเพราะว่าพอไม่มีกิเลสไม่มีความทุกข์แล้วนะการปฏิบัติตัวของพระองค์นะก็ คนก็เห็นได้ว่าสงบเยือกเย็นนะไม่มุ่งร้ายใครมีแต่ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นอันนี้เป็นไปเองแต่บางอย่างนี่ก็เป็นความตั้งใจนะอย่างเช่นพระ เ, เจ้าแม้จะบรรลุนิพพานแล้วไม่มีความทุกข์แล้วชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิ่ที่ควรทำทเพื่อสิ่ง เพื่อความสิ้นทุกข์ไม่มีอีกแล้วเนี่ยแต่พระองค์ก็ยังก็ยังเดินจงกรมนะก็ยังนั่งสมาธิบางคืนก็ทรงเดินจงกรมทั้งคืนบางช่วงก็กลางวันก็เดินจงกรมคนก็สงสัยว่าเอ้ยพระเจ้าบรรลุ ธ, ธรรมแล้วทำไมต้องเดินจงกรมทำไมต้องนั่งสมาธิส่วนหนึ่งก็ เพื่อพักผ่อนนะเรียกว่าทิฏฐธรรมสุ ข, ขวิหารก็คือเป็นเครื่องอยู่ที่ทำให้เกิดความสุขเช่นการนั่งสมาธิการเข้าฌานแต่ส่วนหนึ่งก็เพื่อประโยชน์การอนุชนรุ่นหลังนะนะเพื่อเป็นแบบอย่างนั่นเองนะว่าโอ้ลูกสิลูกหาเห็นพู้เจ้ายัางเดินจงกลมแม้กระทั่งในยามค่ำคืนนะนะก็เป็นกาลังใจให้ สาโนสิตนะได้ปฏิบัติด้วยหลายท่านเนี่ยแม่ท่านบรรลุธรรมแล้วท่านก็ยังปฏิบัติมีข้อวัดเหมือนเดิมอย่างเช่นพระมหากษัปปะก็ยังทุดดงเหมือนเดิมนะทัางนั้นที่การทุดดงนั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อการฝึกฝนตนขัดเกลาตนให้อยู่ง่ายอดทนต่อความยากลำบากหรือเพื่อที่จะได้ฝึกใจให้เอาชนะกิเลสได้ แต่พอมากัสปานิท่านบาลูเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านก็ยังก็ยังเดินอ่าก็ยังทูดงนะจนชราอันนี้ไม่ใช่เพื่อเป็นการฝึกตนแล้วนะแต่เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับอนุชนนะ่าว่าข้อวัดอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำอันนี้ก็เรียกว่าเกิดขึ้นจากกรุณานะเป็นไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ทำให้เป็นแบบอย่างาผู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นร้อยประการหรือสองปร ะ, ประการที่พูดมานี่นะมันก็ใช้เป็นเครื่องวัดผู้ที่จะเป็นแบบอย่างแห่งพระดีพระแท้ได้คนสมัยนี้เนี่ยบางทีก็ไม่รู้ว่าพระดีพระแท้เป็นอย่างไร ไปเข้าใจว่าพระที่ท่านปลุกเสกหรือทําพระเครื่องหรือว่ามีอิทธิปฏิหารอันนี้เป็นพระที่ควรยกย่องกราบไหว้แต่ถ้าเราดูพุะตคุณร้อยประการนี่ไม่มีเรื่องเหล่านี้เลยนะไม่มีเรื่องอิทธิปฏิหารไม่มีเรื่องการบันดาลให้เกิดความสําเร็จทางโลกเลย งั้นถ้าเราเข้าใจว่าเนี่ยคุณสมบัติที่แท้ของพระพุทธเจ้ามีอย่างไรผู้ที่จะ เ, เจลื่อนอยตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเช่นพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ควรจะมีคุณสมบัติอย่างนี้นะเพราะนั้นะพุทธคุลร้อประการเนี่ยหรือแม้กระทั่งสองประการเนี่ยคือกรุณาคุณและปัญญาคุณเนี่ยเราก็มาใช้นะในการเป็นเกณฑ์พิจารณาได้ว่าท่านใดที่เป็นอ่า เป็นสุปฏิปันโนเป็นผู้ที่ปฏิบัติทีปฏิบัติชอบนะรวมทั้งมาใช้กับตัวเองด้วยนะเอามาใช้ในการดูคนอื่นไม่พอนะต้องมาใช้ในการเป็นแบบอย่างสำหรับตัวเองว่านะเราต้องปฏิบัติให้ได้เพื่อเกิดปัญญาและกรุณากรุณานนเนี่ยส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากปัญญา คือเป็นผลแห่งความก้าวหน้าในการปฏิบัติเมื่อมีปัญญามากขึ้นความเป็นกะตัวน้อยลงความกรุณาก็เพิ่มขึ้นแต่ในอีกด้านหนึ่งกรุณาก็เป็นแบบฝึกหัดเหมือนกันเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้ปัญญาจเจริญงอกงามเพราะว่าถ้าเราถึงแม้เรายังมีความมป็กะตัวอยู่แต่เราก็บำเพ็ญกรุณาคุณ ก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมันก็เป็นการฝึกตนเหมือนกันนะมันเป็นการฝึกตนให้เรามีความเห็นแก่ตัวน้อยลงความกรุณาเนี่ยเป็นผลจากความเห็นแก่ตัวที่ลดลงและในเวลาเดียวกันความกรุณาก็เป็นอุบายเป็นเครื่องมือที่ทำให้ความเห็นแก่ตัวลดลงด้วยก็เหมือนการให้ทานเนี่ยการให้ทานส่วนก็เกิดจากจิตที่มีเมตตาไม่หวงไม่ มีความตนหนีในทรัพย์แต่สาหรับคนที่ยังมีความตนหนีในทซั์อยู่ก็ควรมาเป็นทานเหมือนกันเพราะว่าทานนั่นจะช่วยทําให้ลดความตันหนีลงทําให้มีความเสียสละมากขึ้นมีความปรารถนาดีต่อผู้อื่นมากขึ้นการปฏิบัตินะเพื่อขัดเกลาตนเองให้เกิดทั้งปัญญาและกรุณาเนี่ยมันก็มีสูตรสําเร็จอยู่แล้วนะเรียกว่าไต่ศิกขา าจศีขาคือศีลสมาธิปัญญาศีลนั้นเนี่ยมันเป็นการฝึกฝนจากภายนอกฝึกฝนที่กายวาจาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ใจส่วนสมาธิและปัญญาเป็นการฝึกฝนที่จิตที่ปัญญาเพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายนอกแต่ทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝึกตนเป็นการศึกษาอย่างหนึ่งนะ เราจะได้เป็นการศึกษาทางธรรมก็ได้การศึกษาทางโลกหรือวิชาทางโลกมันมุ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงองค์กรอันนี้ก็มีวิชาที่สอนเรื่องนี้เยอะนะการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาองค์กรผู้ที่จะเรียนทางด้านบริหารธุรกิจนะก็ต้องเรียนวิชานี้เปลี่ยนแปลงสิ่งภายนอกหรือสร้างสิ่งภายนอกเช่นสร้างบ้าน สร้างบ้านทำเครื่องปรับอากาศออกแบบภูมิทัศน์นะอันนี้ก็เป็นงานสถาปนิกนะเป็นวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือว่าการผลิตเครื่องไม้เครื่องมือการทำทาเหล็กกล้านะทำผานไถ่พวกนี้ก็เป็นวิชาทางโลกเรียนแล้วก็ได้ปริญญาบัตรนะแต่วิชาชีวิตหรือว่า ความรู้ทางธรรมเนี่ยนะมันมุ่งที่การเปลี่ยนแปลงตนเองเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาเหมือนกันนะถึงเรียกว่าไตรศิกษาศิกษานี่ก็เป็นภาษาบาลีส่วนศึกษาเป็นภาษาสันสกฤตความหมายเดียวกันแต่ว่าไตรศิกษาเนี่ยมันเป็นการศึกษาเพื่อการปรับเปลี่ยนตัวเองเริ่มตั้งแต่สิ่งที่เป็นภายนอกคือกายวาจา ไม่ใช่เพื่อให้กายวาจานั้นสะอาดสงบเรียบร้อยสำรวมงดงามเท่านั้นแต่เพื่อเป็นการขัดเกลากิเลสภายในด้วยเพราะถ้าเรารักษาศีลดีมันก็ไม่เปิดช่องให้กิเลสคือโรภะโทสะโมหะครอบงำหรือว่าลุกลามได้นะศีลห้านี่ก็เป็นไปเพื่อ ลดนะเพื่อบรรเทาอำนาจของโลภะโทสะโมหะแต่ว่าท่านไม่ท่านไม่พอนะต้องมาฝึกที่ใจด้วยใจนี่ประกอบไปด้วยสองอย่างคือจิตกับปัญญาจิตนั่นก็อาศัยการฝึกที่ลดสมาธิแตบางทีท่านสมาคาว่าสมาธินี่ก็เป็นคาย่อๆนะคา เต็มด้คําวอาธิจิตตศิกขาคือการศึกษาเพื่อการทําให้จิตเจริญงอกงามอาธิไปลว่ายิ่งอธิจิตตศิกขาเรียกย่อๆว่าสมาธิแล้วก็อธิปัญญาศิกขาทําให้ปัญญาเจริญงอกงามยิ่งขึ้นอันนี้เรียกย่อยๆว่าปัญญาศาีลสมาธิปัญญานี่เป็นการศึกษาเพื่อการฝึกตนเพื่อให้เกิดพัฒนาการ สุดท้ายปลายทางคือว่าเกิดปัญญาและกรุณานั่นเองการฝึกจิตก็มีหลายวิธีนะที่สำคัญก็คือสติปัฏฐานสติปัฏฐาน4คือการเจริญสติเพื่อให้รู้กายและใจตามที่เป็นจริงโดยการพิจารณากายเวทนาจิตธรรม ที่นี่ก็จะในเรื่องสติปัฏฐานนะถึงมีอีกชื่อนึงว่าสถาบันสติปัฏฐานนะทำให้สติของเรามีฐานมีที่ตั้งการเจริญสตินี่มันก็ทำได้หลายแบบนะแต่สิ่งสำคัญนะที่ช่วยทำให้สติเราเจริญงอกงามคือต้องอาศัยการนะปฏิบัติที่ตัวเอง ซึ่งบางครั้งต้องอาศัยการหลีกเล้นการปลีกตัวถึงแม้จะทําเป็นกลุ่มนะที่นี่เราเราก็ทําเป็นกลุ่มแต่ว่ามันก็มีการปลีกตัวไกลๆนะเพราะว่าไม่มีพูดไม่มีคุยกันอยู่หลายคนก็มันก็อยู่คนเดียวแต่บางครั้งก็มีการปลีกวิเวกนะเย็นเก็บอารมณ์อันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งนะที่ทําให้ การเจริญสติของเราเจริญก้าวหน้าเพราะว่าถ้าไปอยู่ท่ามกลางสิ่งวัล้อมอึกระทึกหรือไปอยู่ในโลกปกติแบบที่เราประสบในชีวิตประจำวันนะมันมีสิ่งกระทบเยอะมันมีแรงกระตุ้นมีสิ่งยั่วยุเย้าวยวนมากมายทำให้กิเลสทำให้ความคิดฟุ้งซ่านนี่มันมีกำลังมากสตินี่ก็จะเติบโตไม่ไหว เหมือนกับว่าเอาเด็กนี่ไปชกมวยกับนักชกเฮฟวีเวทเนี่ยเด็กก็ไม่มีทางที่จะพัฒนาฝีมือได้สักทีนะมันต้องมีคู่ชกที่พอๆกันหรือว่าไม่ได้ต่างกันมากนะักนะสติงเรายังเหมือนกับเด็กอยู่นะมันก็ต้องถ้าจะมีคู่ชกก็นะก็เป็นคู่ชกที่ไม่ใช่นักมวยรุนเฮฟวีเวทนะแต่ว่าต้องยอมยอมลงมานะ การอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะที่สงบนะมันก็ช่วยทำใ ห, ให้ความคิดหรือกิเลสเนี่ยไม่ฟุ้งซ่านมากนักไม่มีอำนาจมากนักก็เรียกว่าพอฟัดพอเบี่ยงกับการที่สติที่กำลังกาลังฝึกฝนอยู่เนะี่ยได้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาเพราะว่าได้มีคู่ชกนะที่พอฟัดพอเวี่ยงสมน้ำสมเนื้อกัน ต่า ก, การเปลี่ยตัวบางทีก็เข้มข้นนะต้องแบบอุกฤษมากเคยได้ฟังเรื่องรานะของสามัญนิริค น, นึงนะชื่อเทนซะินพาโมเคยไปพบท่านเมื่อทักษีสามปีที่แล้วที่อินเดียเป็นชาวอังกฤษนะแต่มาบวชในาศาสนาพุทธแบบวัชรยานทิเบตอายุเจกว่าแล้วแต่ว่ากระฉับกระเฉงมาก อ่าสามเณ ร, รีท่านนี้นี่นะเคยไปปลีวิเวกนะในถ้ำแห่งหนึ่งในทิเบตซึ่งสูงมากนะทิเบตนี่มันสูงมากอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งหน้าหนาวนี่หนาวจัดมากไปอยู่ในถ้ำคนเดียวเลยนะไม่ใช่แค่สามเดือนนะแล้วก็ไม่ใช่แค่สามปีนะแต่สิบสองปีไม่เจอผู้คนเลยนะมีแต่คนมาส่งอาหารให้หน้าถ้ำ ส่งอาหารให้ก็ปีละสองครั้งอาหารนี่ก็เป็นอาหารแห้งนะเป็นพวกคล้ายๆขนมปังเนี่ยแล้วก็มันแข็งมากนะจะกินทีก็ต้องไปต้มน้ำใส่น้ำละลายอันนี้เป็นแบบทิเบตนะแล้วก็อยู่ในถ้ำก็ถ้ำก็เล็กแคบแคบตัวท่านนี่ ไม่ใช่แค่อยู่ในถ้ำอย่างเดียวนะแต่ว่าทําในสัตว์ชิกด้วยก็คือไม่นอนไม่นอนหมนายความว่าไม่เอนหลังนั่งสมาธินะอยู่ในกล่องในกล่องเล็กๆนะซึ่งนอนไม่ได้ก็นั่งอยู่ในอิรลียบทนั่งกับยืนแล้วก็กลับเดินอันตรายก็ก็มีรอบตัวนะเพราะว่าบางครั้งบางคราว ที่บ้าตกนะมันก็กรบถ้าไปหมดเลยนะก็ต้องหาทางเจาะปากทางเพื่อให้อากาศถ่ายเทท่านก็อยู่งาน12ปีนะเราลองนึกภาพนะขนาดบางคนมาปฏิบัติเดินจงกรมสร้างจังหวะในที่นี่แค่วันเดียวนี้ก็ยังกระสับกระสานะ่ายเนี่ยางทังที่เจอผู้คนมากแล้วก็ไม่ได้มีอันตรายม า, อ, าอยู่รอบตัวเท่าไหร่อาหารการกินก็ อุดมสมบูรณ์นะแต่ว่าท่านเทนซินนี่สามารถจะอยู่ได้ถึงสิบสองปีที่จริงอาจจะอยู่ได้นานกว่า น, นั้นถ้าตำรวจไม่มาจับนะเพราะว่าวีซา่าหมดอายุนะหมดไปนานแล้วตำรวจรู้ได้ไงไม่ทราบนะก็ตามขึ้นมาขึ้นมาจับก็เลยต้องกลับมาสู่โลกภายนอกอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็น เป็นเรื่องที่กล่าวขานกันมากนะเป็นประวัติที่ใครๆก็พูดถึงก็ไม่เคยมีคนถามท่านว่าเนี่ยอยู่ปฏิบัติในนั้นเนี่ยปฏิบัติในธรรสิบสองปีนี่รู้สึกอย่างไรบ้างท่านก็พูดง่ายๆนะไม่อวดเลยนะแทนที่บอกโอ้ยแทนที่จะอวดความสามารถมาเนี่ยอยู่ได้ถึงสิบสองปีท่านก็บอกว่าเนี่ยท่านก็พูดว่าเนี่ยอย่างหนึ่งที่พูดได้คือว่า ไม่มีวันใดเลยที่รู้สึกเบื่อนะตอนที่อยู่ในถ้านี้ไม่มีวันไหนที่รู้สึกเบื่อเลยไม่มีความเบื่อไม่มีความเซ็งถ้พูดแบบถ่อมตัวมากนะเพราะว่าจะพูดให้มากกว่านั้นก็ได้เพราะว่าคนที่อยู่ในถ้ำเนี่ยแบบนานสิบสองปีหนาวก็หนาวแล้วก็ตื่นต้องตื่นเช้าขึ้นมาตั้งแต่ตีสนีะ่กว่าจะนอนก็สามสี่ทุ่มมันไม่ใช่ง่ายเลย อาหารก็มีแต่ของแห้งกินซ้ำไปซ้ำมาทุกวันตลอดสิบสองปีไม่มีเปลี่ยนแต่ก็พูดง่ายๆเพียงแค่ว่าเนี้ยไม่รู้จักเบื่อเลยไม่มีความเบื่อแม้แต่วันเดียวแต่ตอนหลังเนี้ก็พอท่านออกมาสู่โลกภายนอกนะท่านก็ไม่ได้กลับไปปีกวิเวงในถ้ำอีกเคยถามท่านว่าเนี่ยมันต่างกันอย่างไรบ้าง นะระหว่างการอยู่ในถ้ากับการออกมาปฏิบัติในโลกภายนอกโลกกว้างท่านก็บอกว่ามันดีคนละแบบนะการอยู่ในถ้าก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันการได้ออกมาสู่โลกภายนอกก็ปฏิบัติธรรมเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการปฏิบัติธรรมที่มีจุดเด่นคนละอย่างแต่ว่าขาดจากเรียกว่าขาดจากกันไม่ได้เหมือนกระลมหายใจเข้าลมหายใจออก จะบอกว่าลมหายใจเข้าดีกับลมหายใจออกก็ไม่ได้จะบอกว่าลมหายใจออกดีกับลมหายใจเข้าก็ไม่ได้แต่มันสําคัญทั้งคู่ถนะ้ท่านเปรียบเทียบได้ดีนะการปฏิบัติธรรมที่เป็นการหลีกเล้นนะปฏิบัติในรูปแบบ ก, บกับการออกมาสู่โลกภายนอกแล้วก็ปฏิบัติธรรมท่ามกลางชีวิตประจําวันในโลกกว้างเนี่ยอาจจะไม่มีรูปแบบนะมันสําคัญทั้งสองอย่าง จะขาดอันใดอันหนึ่งไปไม่ไดนะ้เหมือนกับจะหายใจเข้าแต่ไม่มีลมหายใจออกก็ไม่ได้จะหายใจออกแต่ไม่มีหายใจเข้าก็ไม่ได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นง่ายที่ดีนะสำหรับนักปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมเพื่อการฝึกฝนตนนะเพื่อทําให้เกิดสติเกิดความรู้สึกตัวเกิดปัญญาจนสามารถที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เนี่ยมันต้องอาศัยทั้งการปฏิบัติที่หลีกเล่น อยู่กับตัวเองแท้ๆล้วนๆนะชนิดที่เรียกว่าได้เลี้ยลูกกายและใจอย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีสิ่งใดมาข้องเกี่ยวมากนะักแต่ขณะเดียวกันการเลรี้ยลูกกายและใจท่ามกลางสิ่งต่างๆที่มากระทบก็สําคัญเหมือนกันเพราะว่าไอ้การกระทบนั่นแหละที่มาทำให้เกิดนะเกิดความคิดปรุงแต่งเกิดอารมณ์ต่างๆมากมาย ทั้งความโกรธทั้งความโลภรวมทั้งความหลงไอสิ่งเหล่านี้ก็เป็นอุปกรณ์สอนธรรมได้เหมือนกันเป็นการบ้านที่จะทําให้สติของเราว่องไวปราดเปรียวและทําให้เกิดปัญญารวมหายใจออกลมหายใจเข้าสําคัญอย่างไรตลอดชีวิตนะการปฏิบัติธรรมทั้งการปลีกตัวหลีกเล่นแล้วก็การฝึกฝน ในท่ามกลางผู้คนแล้วก็ในโลกกว้างนี้ก็สําคัญแต่จุดหมายปลายทางก็คืออันเดียวกันก็คือให้มีความรู้มีปัญญาเรื่องกายเรื่องใจตัวสายสติและความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือนะเป็นเครื่องมือทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาอย่างที่บอกไว้เมื่อวานนะว่าสติแล้วก็ความรู้สึกตัวเนี่ยสาคัญมากหลวงพ่อพิมเขียนท่านก็พูดไว้นะว่า ให้ตั้งต้นที่ความรู้สึกตัวแล้วที่เหลือมันก็จะดีไปเองนะคือมันเป็นพื้นฐานในการที่จะทำความดีไม่ว่าจะเป็นทานศีลภาวนาไม่ว่าจะเป็นศีลสมาธิปัญญาต้องอาศัยสติต้องอาศัยความรู้สึกตัวเนะี่เราก็ต้องพยายามสร้างขึ้นมาให้ได้นะไม่ว่าเราจะอยู่คนเดียวไม่ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางผู้คนนะ ต้องถือว่างานหลักนะภารกิจหลักในแต่ละขนแต่ละขณะขก็คือการสร้างสติและการรักษาหรือการทำให้ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นไม่ว่าเคลื่อนไหวอิรียบทใดไม่ว่ามีภาษาใดมากระทบนะเกิดกุศลธรรมหรือเกิดอกุศลธรรมเกิดความรู้สึกทางบวกทางลบ อันนี้ลวนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เอามาใช้เพื่อการสร้างสติและความรู้สึกตัวได้ทั้งนั้นแต่ถ้าหากว่าไม่มีความตระหนักตรงนี้ไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นมามันก็สามารถจะบันทอนสติและความรู้สึกตัวได้ไม่ใช่แค่ความเสียใจความโกรธที่มันบันทอนสติและความรู้สึกตัวนะแต่ความดีใจความดีใจความรื่นโลิหรือแม้กระทั่งปิติปราโมทย์เวลาใจสงบ นะเวลาเกิดความสงบเกิดสมาธิขึ้นมาเกิดความปิติเกิดความลิงโลดขึ้นมานี่มันก็สามารถจะบรนทอนความรู้สึกตัวได้มีความดีใจมีความปิติปราโมดมีความสงบก็ไม่เอานะหลวงพ่อท่านสอนว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นมันเกิดขึ้นก็เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นการเข้าไปเป็นคือการเข้าไปเอามันเข้าไปยึดมันแล้วก็ปล่อยให้มันครอบงำ ซึ่งสุดท้ายคือความสึกตัวก็หายไปนะเราสังเกตพอเราดีใจเนี่ยความสึกตัวนี่มันหายไปเลยจนกว่าเราจะมีสติขึ้นมาอา้าวแล้วความสึกตัวเกิดขึ้นนะไม่ไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในอิรลียบทใดไม่ว่าจะมีภาษะใดมากระทบนะให้ตั้งสติให้ดีหรือเอาสติมาใช้นะเพื่อเป็นผู้เห็นไม่ใช่ผู้เป็น สร้างความรู้สึกตัวให้เกิดขึ้นในทุกเรียบบทในทุกการเคลื่อนไหวหรือถึงแม้ไม่มีการเคลื่อนไหวมีการกระทบทางตาหัวใจมะกลิงกกายหรือกระทบทางใจคือการนึกคิดเอาก็ให้มีความสึกตัวมันก็จะทำให้ใหความโลภความกลวความหลงหรืออวิชชาเข้ามาครอบงำได้ยากเอาละชาติ้ก็กเผื่อนทนน้นะกลับฮะ